ن ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت غ ف ر استحدي ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدل له فلا ه ا ي ل ه ว่าฉันเหรอว่าฉันเหรอว่า ل ันเหร ل ว่ ل ฉัน ا หรอว่าฉันเหรอว่าฉันเหรอว่าฉันเหรอว่า ل ันเหรอว่า ل ันเ ح รอว่าฉันเห ل อว่าฉันเหรอว่า ل ั م เหรอว่าฉ ل นเหรอว ل า م ันเหรอว่า ل ั م เห ا ل ว่า ا ันเหรอว่าฉันเหรอว่าฉัน و ا ر ح م ة الله وبركاته، حنونتي رقيق، فيلا سبحان ا ل تعالى، نذكره ي القرآن، في كفية قبول، ي سورة البعد، في ا ت س ب ة 1 ف ل ق تحمل عقبة، وما أدرىكم العقبة، فق رقبة، أو ا ت ع م في يوم ذي مسقبة، يتيمن ذا مقربة، أو مسكينا تمت ربة. ในสุรทูลบรัสครับอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาในช่วงที่ผ่านผ่านมานะครับเป็นสุรที่พ่อัสสุบาห์นหัวตาลาได้พูดถึงความปวดปานต่างๆมากมายที่พวกนั้นมีให้กับท่านบิบมอมาสละลวารีวาสัลมให้กับบรรดามุสลิมแล้วก็ให้กับบรรดามุสล์ชาติทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ของมนุษย์ครับเมื่อเขาได้รับความปดปานพี่น้องคิดว่าเขาจะเป็นยังไงครับ แตจะเอาลู่นอสกกะคุ้มอันนั้นคุ้มกระบุญรรมชาติของมนุษย์ก็คือเมื่อได้รับความโปวดบาดเมื่อได้รับความผาสุกเมื่อได้รับความยิ่งใหญ่จากพลัสุบานขุวัวะอาลาเขาก็จะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์นือสบิเลนได้กี้คือธรรมชาติของมนุษย์จริงๆพวกเราเป็นกระหนิงจริงก็คือเวลาที่พวกเรานั้นพวกเราหมายถึงผมด้วยแน่นอนนะครับเวลาที่วกเราได้รับความปวดบาดจากอเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เรามีสุขภาพเวลาที่เรามีทรัพย์สินเวลาที่เรามีเวลาว่าง น้อยเหลือเกินที่เราจะใช้มันในการขอบคุณพระลอสซุปะฮานหัวตาอาไรหรือว่าวทำตัวเพื่อพวกหลวหลัอกอาหารเที่ยวดิบอร่อยที่เราสะสวงหาที่จะกินให้ได้เวลาที่เรามีความสามารถสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะไปเที่ยวหรือการพักผ่อนเยินใจหรือว่าการได้พูดคุยกันได้อู่อวดการได้โชว์สิ่งที่เรามี หลายครั้งครับเราจะพบว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าเรามีบ่วงติดอยู่กับดุนยามากเหลือเกินเหมือนกับที่ลักกาเข้ว่าซีนารินาสุบุชาว่ามนุษย์นั้นถูกทำให้หลงและเริงถูกสร้างมาให้มีความผูกพันอยู่กับความงดงามของดุนยาต่างๆนาน า, นานมากมายซึ่งนันเป็นธรรมชาติของเรานั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้น <c oughs> มักจะถูก ทำให้เรานั้นจมติดอยู่กับดุนยาพี่น้องเคยไหมครับหลายครั้งที่เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเลยจะละหมาดที่มีสมาธิยิ่งขึ้นแต่ทำไมหลายครั้งเหลือเกินที่พอเราตักมิดอัลลอฮฺวะบัตปุ๊บมันกลับกลายไปว่าดุนยาแทบจะทั้งหมดเข้ามาหาเรามันกลับกลายไปว่าถ้าเราจะอ่านนั้นกุรานจิตใจเราก็ไม่สงบมันกลับกลายไปว่าเมื่อเราจะละเมิถอะอัลลอฮฺเราก็รู้สึกว่ามันร้อนรุ่มรู้สึกว่าเราอยากจะไปทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับดุนยาอันนั้นเรียกว่าบ่วงที่ผูกอยู่ที่อ ในช่วงจุดประหลัดครับในยุคที่บเนี่ยพวกลอสุูพานฮัวตาลาได้บอกว่าพวกเขาหรือว่าเขาเนี่ยไม่ได้ที่จะเลือกปีนชั ง, งนวลผาที่สูงชันเขาไม่ได้ปีนชั ง, งนวลผาที่สูงชันนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเกิดเลือกได้เราก็อยากได้แต่อะไรที่มันสบายๆเร า, ยายอยากเดินบนทางราบหรือลิ้ดีเราก็อยากนั่งรถหรือว่าจะมีคนขับรถให้หรือว่าเรารักความสะดวกสบายแต่ว่าพี่น้องที่รักครับ ดุนยาไม่ว่าจะสะดกสบายหรือไม่ว่าจะทุกข์มันก็ต้องผ่านไปมันเป็นโลกที่มันต้องผ่านไปยังไงมันก็ต้องผ่านไปอพี่น้องสุขแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ทุกข์ทุกข์แค่ไหนเดี๋ยวมันก็จะมีความสุขเข้ามาเจือปนบ้างแต่สำหรับผู้ไปเสดสทานี่นอนครับถ้าเลือกได้เขาย่อมไม่อยากเลือกหนทางที่ลําบากเพราะเขามองเห็นแต่ดุนยา นี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนตัวผมว่าพี่น้องให้ดีนะครับว่าพี่น้องที่รักครับอย่าให้ดุลยามันมาเป็นเป้าหมายชีวิตของเราอย่าให้ดุลยามันอยู่แต่ในสายตาของเราอย่าให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยกับดุนยาเพร า, าะเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราเต็มไปด้วยกับดุนยาเราก็จะหลงลืมพ่อรัสสุปหานหัวใจแล้จะไปคิดได้เมื่อไหร่ครับบางท่านก็อุจวิรัตินเสียชีวิตไปแล้วจะคิดได้เมื่อไหร่ บางท่านก็ตอนที่ต้องประสบความสูญเสียตอนที่มีความสุขตอนที่สบายก็ไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไหร่ฝรั่ก็จะหามันอักบัอายะกรานีหมายความว่พวกล้อสุภานหัวตาได้บอกกับผู้ศรัท ธ, ธาครัว่าสําหรับพวกเจ้าทุกคนแล้วไม่ว่าเจ้าจะมีความสุขไม่ว่าเจ้าจะมีความทุกข์เจ้าต้องปักตั้งเป้าหมายชีวิตตุนยาไว้นะว่าต้องเป็นชีวิตที่ดําเนินไปด้วยกับความยากลําบากเพื่อให้พวกล้อสุภานหัวตรารั จะทําการละหมาดซึ่งมันยากลําบากครับว่าอินนาฮิละกาบีรอตุนอิลยาละคอชีนเพราะเราบอกว่าการละหมาดมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนอกจากสำหรับพวกที่ผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อร้อยอย่างแค้จริงกลัวเอาล้ออย่างจริงจังเท่านั้นถึงจะสามารถละหมาดได้อย่างที่ไม่เหน็ดเหนื่อยละหมาดได้อย่างไม่ทรมานพระพุทธาบอกไงครับต้องลําบากนะดุนยาคุณจะศรัทธาต่อรลอยหรือคุณจะไม่ศรัทธาต่อร้อยดุนยามันจะผ่านไป ดุนยามันก็มีทั้งความยากลําบากมันก็มีทั้งความง่ายดายแต่ถ้าอยากให้อววรักอยากประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าชีวิตนั้นมีไว้เพื่อความยากลําบ า, ก ว, า ก, กว่าอะดร์แกมลอักอบะครับเนี่ยคุณอาภรณ์คเคยบอกว่าแล้วอะไรที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอะไรคือชั้นอ่นผ่าที่สูงชันที่ว่ามุสลิมนั้นต้องตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องเลือกที่จะปีนฝ่ามันไปให้ได้ พอแลวช่บาฟักกุรอกราดเนื่องคือการปลดตวนที่อยู่ที่ต้นคอหรือว่าเอาโซ่ที่ล่ามคอตัวนที่อยู่บริคอเนี่ยมันออกไปหมายความว่าไงครับอย่างที่พูดตั้งแต่ตอนแรกครับชีวิตในดุนยาเนี่ยมันมีแต่ความยากลําบากหลายครั้งที่พี่น้องจะพบว่าเราอยู่ในสถา น, นการณ์ที่รู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินชีวิตมันแย่เหลือเกินพี่น้องครับเรารู้สึกว่าชีวิตมันแย่ หลายๆายคนเขาก็รู้สึกว่าชีวิตมันแย่แล้วหลายๆคนเขากำลังทรมานลำบากมากกว่าพวกเราคำสอนของอิสลามก็คือเราต้องรักพี่น้องเหมือนกับที่เรานั้นรักตัวเองเรารู้ว่าเราลำบากแต่หลายครั้งถ้าเราพบว่าคนอื่นลำบากมากกว่าเราแล้วเราสามารถที่จะช่วยปลดความทุกข์โตมปลดโซ่ตรวนที่มันผูกรั้งคอเขาไว จงทําถะครับพี่น้องเพราะทุกครั้งที่เราช่วยเหลือคนอื่นพระอัลลอฮ์ก็จะให้ความช่วยเหลือเรามากยิ่งขึ้นพี่น้องอย่าลืมครับเพราะการช่วยเหลือเธอคือการช่วยเหลือตัวฉันเองเพราะการที่ช่วยเหลือพวกเขาคือการที่เราช่วยเหลือตัวของเราเองเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นอัลลอ์ก็จะช่วยเหลือเร า, าพระนามอัลลอ์จะคำว่าครับฟักกุรอกอบะปิดแอ ปวดตวุ้นหรือว่าก็เอาห่วงที่คองคอรนะ์มันหลุดออกไปซึ่งเราก็ได้พูดหรือว่าครอบคุมถึงทั้งคนที่ว่าเป็นทา์ถ้าเรามีความสามารถปล่อยเขาได้ก็ให้ป ล, ปล่อยหรือว่าในกรณีที่ว่าบางครั้งมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ฆาตรกรเขาไม่ได้ตั้งใจเขาผิดพ้าไปแล้วจริงๆถ้าเราอยู่ในสถานะที่จะอาภัยให้ได้แล้วรอให้อาภายัยมันก็เป็นสิ่งที่ดี หรว่าเช่นเดียวกันอาจจะมีคนที่มีความเดือดร้อนหรือว่ามีอาจจะเป็นมุสลิมที่ว่าอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวของผู้ไปศรีสัทธาที่ว่าทําร้ายนางตอดเวลาถ้าสามารถให้ความช่วยเหลือได้ก็ให้ความช่วยเหลือฟักกลุ่นกะบานั้นมีความหมายที่ครอบคลุมในการที่เราให้ความช่วยเหลือใครก็ตามที่รอดพ้นจากอันตรายที่มันใหญ่หลวงหรือว่าความยากลาบากที่มันใหญ่หลงสำหรับเขาเช่นเดียวกันกับการที่ว่าเราเห็นใครที่ว่าเขากําลังทําพฤติกรรมของชาวนรก เราไม่รู้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์เราไม่รู้ว่าใครเป็นชาวนรกแต่เรารู้ว่าอะไรเป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เป็นชาวสวรรค์อะไรเป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เป็นชาวนรกถ้าเรารู้ว่าคนที่เรารักถ้าเรารู้ว่าเครือญาติของเราถ้าเรารู้ว่าลูกหลานของเราถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่ของเราเขากำลังทำพฤติกรรมของชาวนรกนั่นคือเขากาลังเอาตวนไฟนรกมาล่ามที่คอของเขา หน้าที่ของเราด้วยความห่วงด้วยความรักเราต้องพยายามที่จะปลดโซ่ตัวไฟนรกออกไปจากเขาพอยามอีกครั้งหนึ่งการที่เราช่วยเหลือใครก็ตามมันคือการช่วยเหลือตัวเราอีกเพราะนี่นคือฟักบูร ก, กบะ ครับขอทักทายพี่น้องก่อนนะครับผมคุณเสียนะครับสลามยามเชา้าก็วารีคุณสลามมอตุลลอห์วบบารักกาตุ้งครับผมเกนินดีตอนรับนะครับผมคุณจิรเดชนะครับก็อามีนธรรมเดลัสรู้เช่นเดียวกับคุณพรนพนานะครับผมอมีมาก็จะจะกุมอหุ่นคอยรอนครับผมพี่สามาก็สลามมานะครับวารีคุณสลามมอตุลลอห์วบบารักกาตุ้งเช่นเดียวกับพี่บนนีนะครับทักทายมาธรรมเดละกตมชัดเจน คุณน้าซาด้าครับสลามมาบอกว่ากลับเข้าห้องเรียนแล้วอัลฮัมดุลิละยามาฮ์บันยิต้นรับนะครับผมก็วาเลคุมุสลามุลตุลเลาะบะบารักะตุและก็อายดุนยานะครับคือคุกสําหรับผู้ศรัทธาก็สลามมาก็วาเลคุมุสลามรหุลตุลเลาะบะบารกะตุครับผมก็ช่วงนี้เราคุยตัวกันมาเยอะนะครับก็เราเว้นไปช่วงหนึ่งก็ วันนี้ก็เลยขอกลับมาคุยเรื่องกุรอานเรื่องตับซีดก่อนเผื่อบางท่านจะแปลกใจว่าเออวันนี้ไม่ใช่ดูอาเลยก็สลับไปเรื่อยๆนะครับเรายึดอยู่แล้วกันนะพี่น้องไม่ว่าเลยผมน้อยฉัลล์ครับผมในกรณีที่ว่าการช่วยเหลือการปดตรวนนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าการที่เราจะไปปดตรวนที่มันล่ามคอใครที่มันสร้างภาระกับใครก็ตามผลสุดท้ายแล้วมันก็คือการปด ตรวนให้กับเราเองเพราะฉะนั้นเนื้อยะที่ว่าฟักกูรอกกา บ, บาการปวดตรวนที่ล่ามคออยู่หรือว่าการปวดภาระที่หนักอึ้งที่ออกไปนะครับนอกเหนือจากที่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยพี่น้องที่รักครับเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เป็นประจำระวังอย่าเลือกทางเดินที่จะนําเราไปสู่ไฟนรก ฟักกูร์ล็อกกันาการที่เราจะปลดตัวจากคอใครก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องปลดตัวที่รั้มคอที่ผูกคอเราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันบ่วงที่ของคอครับผมต้องเอามันออกไปด้วยอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่ทําให้เรารังเกียจเราก็ต้องระวังอะไรเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ล้รักเราก็ต้องพยายามทําให้มากครับผม น่อครับไร น, นี้ครอบคลุมถึงผู้ที่ว่ามีหนี้สินก็ถือว่าเป็นคนที่ว่ามีตัวอยู่แล้วก็ไประเดนในเรื่องของการปลดตัวเนี่ยครับผมบางครั้งการที่เราให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบางทีมันอาจจะสะท้อนผลที่ไม่ดีกลับมาหาเราพี่น้องเคยเจอไหมครับคือเราก็เจตนาบริสุทธิ์ล้วก็พยายามทำดีเราให้ความช่วยเหลือคนอื่น แต่ว่าอย่าเอาล้อผลที่ตอบกลับมาทําไมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียใจทําไมมันเป็นสิ่งที่เราทําให้เราทุกพี่น้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องทุกเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการทําความดีเมื่อไหร่ก็ตามนะพี่ที่พี่น้องรู้สึกแย่ที่เรารู้สึกแย่ในการที่เราทําความดีแต่ผลที่มันสะท้อนกลับมามันกลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอฝากอายะกราณี้ไว้ให้พี่น้อง ตอกย้ำกับตัวเองครับในสรอารีมรอออายะที่185งริว่าคุณหรือนับสิน t h อิกตุลมาต์ว่าอินนมาตัวฟาเนอจูรกุมเยาวมันกียามาฟะมันซูซอันินนารีว่าดีขิลัใจันทร์ฟะกอดฟฟซว่ามัน ح ي ا ตุดนยอิละมาตาอุลบุลูรอยากให้เราตอกย้ำกับใจของเราไว้มันจะทาให้เราสงบขึ้นเพาะเราสุภาพธรรตาอ่าว่าไงครับุนัสินอิกุมต์ทุกชีวิตนั้น ย่อมต้องริมรสชาติของความตายทุกชีวิตต้องริมรสชาติแห่งความตายก็แปลว่าเราจะทำดีกับเขาแล้วเขาจะทำดีกับเราหรือเราทำดีกับเขาแล้วเขาจะทำชั่วกับเราหรือเราจะทำไม่ดีกับเขาจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามพวกเรอบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นชีวิตที่มีความทุกข์กุลูเนฟสินกุลูทุกชีวิตเลยแวอกตุลเมาท ต้องได้รีโมทความตายคือผลสุดท้ายมันก็แค่ตายพี่น้องเราจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็แค่ตายฝัละก็ตาหมามะละอักบะเราจะเลือกทางที่ลำบากเราจะเลือกการปีนชะงวนผาหรือเราจะไม่เลือกที่จะปีนชะนวนผาสุดท้าย เ, าเราก็ต้องตายคือลันัสิ้นใจก็ตุน่นมาเฝอินมาตัวเฝ้าในะอุชูราคุมเยือมา ก, กระย่ามาอายะกุรานี้จะปลอบประโลมใจของพวกเราเป็นอย่างดีครับเพราะเราบอกไงครับและแน่นอน ทุกอย่างที่พวกเจ้าทำจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนในวันเกียรติคนทั้งโลกจะมองไม่เห็นความดีที่เราทำถ้าพี่น้องทำพเพื่ออัลลอฮ์นะอลัลลอฮ์เห็นเสมอและอลัลลอฮ์ตอบแทนมากเท่าทวีคูณเพราะนั้นหลายครั้งที่เราทอ้อหลายครั้งที่เรารู้สึกแย่เพราะเราไปผูกใจเราไว้กับมนุษย์พี่น้องเห็นด้วยไหม เราไปผูกใจของเราไว้กับมนุษย์เราอยากทําให้มนุษย์รักเราอยากทำให้มนุษย์พอใจถ้าเราเปลี่ยนเป็นผูกใจของเราไว้กับพระลอสุบฮานะฮะจะอะไรผลมันจะเป็นยังไงก็ตามอัลกุรอานนี้บอกอยู่แล้วว่าฟอิัยนมาตัววอวัยนมาตัวฟานะอูจูรักกุมเยอมะกียนะมะอะไรก็ตามที่เจ้าทําได้รับการตอบแทนอย่างเต็มมิตเต็มหน่วยแน่นอนแล้วพวระลอสก็ได้พูดย้ําครับฟะมันซุฟซีฮะ อันอันนารีแลอุดเข้าในสันนต์ฟักกดฟาใครก็ตามที่เขารอดพ้นใครก็ตามที่เขารอดพ้นจากนรกไปได้แล้วเขาถูกนําตัวเข้าไปในสวรรค์ฟักกัดฟาเขาได้รับชัยชนะเขาประสบความสำเร็จในชีวิตยอย่างแท้จริงแล้วพี่น้องครับในดุนยาเนี่ยเคยผิดหวังกันไหมครับ ผมคิดว่าหลายท่านเคยผิดหวังผมก็เคยผิดหวังหลายครั้งหลายครั้งที่เราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราเศร้าไหมเราเศร้ามันมีสิ่งที่เศร้ากว่า น, นั้นครับที่ว่าหลายครั้งที่เราอยากได้อะไรแล้วเราได้แล้วเรามารู้ทีหลังว่าไอ้ที่เราได้น่มันไม่ดีเลยสำหรับเรายิ่งรู้สึกแย่พี่น้องเห็นด้วยไหมบางทีการพลาดอะไรไปเนี่ยยังเสียใจไม่เท่ากับการที่ได้อะไรมาแล้วมันทาไม่รู้สึกแย่ ซึ่งพวอลอสสุภานววตาได้บอกให้รู้ว่าไอ้ที่เจ้ารู้สึกในดุนยามันแค่ดุนยามันจบแค่ในดุนยาการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่สำเร็จการศึกษาไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในดุนยาไม่ใช่ว่ามีความมั่งคัง่งไม่ใช่ว่ามีบ้านที่ใหญ่โต ไม่เช่มีพาหานะไม่เช่มีสิ่งนั้นไม่เช่มีสิ่งนี้พวกเราบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงคือผู้ที่รอดจากไฟนรกไปได้อ่าเรามานั่งคิดดูกันเ ล, เล่นๆอะไรบ้างที่พี่น้องอยากได้ในวุญญาติตอนเนี่ยที่เราอยากได้ให้แต่ละคนแต่ละท่านลองช่วยลองคิดคิดตอบตัวเองตอนเนี้ยอะไรที่เราอยากได้ บางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากจะรอดพ้นจากโควิดบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากจะมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบางคนอาจจะมีความปรารถนามากมายฉันอยากอยู่กับลูกหลานฉันอยากอยู่กับคนที่ฉันรักฉันอยากจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาอาจจะมีความต้องการมากมายพี่น้องในความต้องการเหล่านั้นมีความต้องการไหนบ้างที่มันจะทําให้เรารอดพ้นจากไฟนรกถ้าพี่น้องนั่งคิดแล้ว ไอ้ น, นี้ฉันก็อยากได้ไอ้ น, นี้ฉันก็อยากได้นี้ฉันก็กลัวอันนี้ฉันก็อยากจะรอดพ้นถ้าทั้งหมดที่เรายังเป็นกังวลอยู่ไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรกขอให้รู้เลยว่าเรากำลังมีตัวผูกล่ามคอเราอยู่ใหญ่ด้วยอันตรายด้วยพอคนตื่นสติเราแล้ว ว่าความ ส, มสําเร็จที่แท้จริงชีวิตที่รอดพ้นอย่างแท้จริงคือไม่ใช่รอดพ้นจากการถูกตรวจสอบในดุนยาไม่ใช่รอดพ้นจากการป่วยไข้ไม่ใช่รอดพ้น จ, จากการเป็นหนี้ในดุนยาไม่ใช่รอดพ้นจากการสูญเสียแต่ชีวิตที่ประสบความ ส, มสําเร็จอย่างแท้จริงต้องมองไกลๆคือชีวิตที่รอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกแล้วไม่ใช่แค่รอดจากไฟนรกนะต้องได้เข้าสวรรค์ด้วย เพราะบางกลุ่มรอดพ้นจากไฟนรกแต่ยังไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้เป็นระยะเวลายาวนานแสนนานเกินจิตตนาการอย่างบรรดากลุ่มอารอฟชาวอารอฟเขาพี่น้องเป็นชาติเทวะอัลฮามดีละ่ะพวกเราเล่าให้เขารอดพ้นจากไฟนรกเขาผ่านอันแรกได้อันแรกประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งรอดพ้นจากไฟนรกแต่เขาไม่สามารถจะเข้าสวรรค์ได้เพราะความดีของเขาก็ไม่มากพอที่จะคู่ควรกับความเมตตาขอรับที่จะได้เข้าสวรรค์ แค่คู่ควรให้รอดพ้นจากไฟนรกเฉยๆเขาก็ต้องอยู่ระหว่างนรกกับระหว่างสวรรค์นานแสนนานเกินจินตนาการพี่น้องไม่มีใครรู้ว่านานแค่ไหนดูสวรรค์ทีก็อยากเข้าดูนรกทีก็อะไรทลได้ดีที่รอดต้องรอนานแสนนานจนกระทั่งพวกรัศมีพราหมณ์นั้นให้พวกเขานั้นได้เข้าสวรรค์ในตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นชัยชนะอย่างแท้จริงตัดสินเมื่อตอนที่เราเข้าสวรรค์เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่ความสืขในริ่นยาไม่ใช่รอดพ้นจากการถูกลงโทษในถินฝังศพไม่ใช่การถูกสอบสวนอย่างง่ายดายแต่ชัยชนะที่แท้จริงของผู้ศรัทธาเราต้องอดทนและอดทนแล้วก็อดทนจนกระทั่งไปถึงเวลาที่พี่น้องไปอยู่หน้าประตูสวรรค์จนกระทั่งถึงเวลาที่พวกเราทุกคนได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของผู้รอดสุบฮาหนุฮัวตาลากับบรรดาคนที่เรารักนั่นแหละครับคือความสําเร็จนั่นแหละครับคือการหมดทุก ที่แทจเพราะฉันในดุนยาเป็นไงครับในดุนยาก็ต้องเลือกที่จะยากลำบากต่อไปอิกต้ฮามัลอะกอบะจะต้องเลือกที่ยากลำบากต่อไปพี่น้องครับหลังจากที่พว้รัสบหานหวัวตาได้พูดถึงการปวดตวนฟักกุรอกอบะอายะต่อมาพู้อัุบหานหวัวตาบอกว่างครับอาอิตะามุฟิยมินซีมัซลบะอายะุรนนี้ กับสถานการณ์ตอนนี้เลยครับพี่น้องพวกเราบอกอีกหนึ่งในหนทางที่ยากลําบากที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องเลือกเดินที่เรานั้นจะต้องเลือกทำํำคือการให้อาหารแก่คนที่เขาต้องการมันคนที่ยากลําบากในวันแห่งความหิวโหยเอาอิจามอิจามคือการให้อาหาร พี่เยามินในวันที่ดีมัสกอบ a a ีมัสกอบาก็คือด a ม a เจ้าในวันที่ว่ามีความหิวหงยมีความทรมานมีความยากลำบากพี่น้องปัจจุบันชัดเจนครับผมไม่รู้ในสถานการณ์โควิดอย่างที่พวกเรากำลังอดทนกันอยู่หลายตอหลายท่านกำลังอดทนกันอยู่บางท่านอาจจะ h ำได้ละ t ้อยความเมตตามีความสามารถมีริสกีที่แบบว่าไม่ได้ทรมานอะไรมากแค่เดินทางแค่ที่ไม่สะวกเฉย แต่หลายๆลายท่านกำลังยากลาบากกำังประสบกับปัญหาบางท่านไม่รู้ด้วยซ้าว่าวันนี้จะเอาอะไรกินหลายชีวิตครับมีความทุกข์เศร้าอยู่ในใจที่ไม่สามารถบอกเล่าให้ใครฟังได้ความยากลาบากมีความหิหวโหยมีความอดอยากพอเราบอกว่าไงครับหนึ่งในการเลือก ปีนชง่อนผาหนึ่งในทางเดินที่ยากลำบากที่ผู้ศรัทธาต้องเลือกเดินก็คือการที่เราจะเลือกให้อาหารแก่ผู้คนโดยเฉพาะในวันที่มีความแหลงแขนในวันที่มีความขัดสนพี่น้องที่รักครับการให้ความช่วยเหรื่องอาหารพี่น้องบางคนอาจจะมั่มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับบางคนมันเป็นเรื่องใหญ่มากพี่น้องครับบางครอบครัวสามีภรรยาอยู่ต่างถิ่นไม่มีอาหารจะทาน มานั่งปรับทุกกันถือสนอุด้วยทั้งคู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะหาอะไรกินกันต่อก็อดทนก็ไ ม, ม่้จะไปพูดใครถึงเวลาครับดินเสียงก๊กก๊ก๊ออกไปดูหน้าประตูมีคนเอาอาหารมาให้พี่น้องว่าเขาจะมีความสุขขนาดไหนเขามีความสุขมากแล้วถ้าเป็นเราที่เป็นคนเอาอาหารไปให้เขาพี่น้องพี่น้องจะยิ่งมีความสุข การทำความดีโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนที่เขากำลังลำบากมากๆสำหรับผู้ศรัทธาแล้วมันยิงทำให้เรานั้นมีอ إ ي ่านมากขึ้นมันจิงทำให้เรานั้นถ่อมตนมากขึ้นมันยิงทำให้เรานั้นรักพี่น้องของเรามากยิ่งขึ้นสราการณ์นี้ถ้าเกิดใครที่ว่าสามารถช่วยเหลือกันได้เนี่ยแหละครับเ ข, ขาขยักกราษเลยก็คือในวันที่มีความยากลาบากยามินดีมัสกอบา ทำในความสามารถของเราบางคนอาจจะวาดภาพการให้อาหารคือการไปตั้งซุม้มแล้วก็ให้คนมายืนเข้าแถวกันเต็มๆอันนั้นอยู่ที่ความสามารถใครทําอะไรได้แค่ไหนก็ทําในกรอบที่ตนเองนั้นจะทําได้แต่ว่าพี่น้องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาหารบางทีมันง่ายกว่าที่คิดอย่างพี่น้องบางท่านผมยกตัวอย่างง่งายๆวิธีที่ง่ายที่สุดเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ที่ว่ายังสามารถไปทานอาหารที่ร้านอาหารได้อยู่ ไปทานอาหารที่ร้านอาหารได้อยู่แล้วถ้าเกิดพี่น้องไปนั่งทานอาหารที่ร้านอาหารเหล่านั้นง่ายๆเลยถ้าเกิดพี่น้องเจอว่ามีพี่น้องคนไหนที่เขาก็ลำบากพี่น้องดูตาเขาก็รู้ว่าเขาลำบากพี่น้องเอาง่ายๆดีที่สุดเลี้ยงอาหารแบบดีที่สุดเลยถึงเวลาไปบอกเจ้าของร้านบอกว่าโต้นั้นเนี่ยคิดเงินที่ผมเลยนะคิดเงินที่ฉันเลยนะแล้วก็จ่ายเงินเลยแล้วก็ไม่ต้องไปบอกให้เขารู้ด้วย และถ้าเป็นไปได้ก็บอกให้เจ้าของร้านนี้ว่าไม่ต้องบอกเขานะว่าใครจ่ายนี่คือการบริจาคที่ดีที่สุดพี่น้องคือการบริจาคมือขวาโดยที่ไม่ให้มือซ้ายหรือเอาแค่ระหว่างเรากับพ่อลรอหรู้ก็พออาจจะมีเจ้าของร้านหรือแต่ถ้าจะบอกมันก็ไม่ผิดอะไรอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณกินเต็มที่ไปเลยนะจะเอาอะไรเพิ่มไหมสั่งเต็มที่เลยนะมื้นี้ฉันขอเลี้ยงคุณเองจะ่ลิ้นหันทํำด้วยง่ายปอ๋อตเร า, า จ, จะกินมื้อนี้อาจจะ ห้าสิบบาทหรืออาจจะหนึ่งร้อยบาทอาจจะมากกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราพอจะมีเงินเหลืออีกสักหน่อยหนึ่งเราพอจะมีเงินเหลืออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเราเจอพี่น้องซึ่งเรามั่นใจว่าช่วงนี้มันก็เดือดร้อนกันหมดเราเราคิดถึงอายุรานี้ล ل ا قط ح ว ل ع ق า ا وما أ a ر ى เขาไม่เลือกเดลีนหนทางที่ยากลําบากอะไรคือหนทางที่ยากลําบากอะไรคือการปีนชัน้นเนผามันคือการปวดตัวให้รอดออกจากคอมันคือการให้อาหารในวันแห่งความหิหวโหยถ้าคิดตรงนี้ปุ๊บเราให้ความเชื่อเขาก็เลี้ยงเขาภายใต้ขอบเขตที่เราสามารถนครับอย่างอิสลามไม่ได้บังคับใครเกินความสามารถผมพูดในกรณีที่เราสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะให้ได้จริงคือบางทีเราเองก็แทบจะไม่มีกินอยู่แล้ว อย่างน้อยก็คำพูดที่ดีอย่างน้อยก็การปลอบใจอย่างน้อยก็อะไรที่พอจะช่วยกันได้ที่บ้านฉันพอจะมีผักที่บ้านฉันพอจะมีอะไรที่เอาไปกินได้อาจจะเป็นผลไม้อาจจะเป็นอะไรก็ใส่ถุงเอาไปเยื่อเยียน เพื่อนบ้านเอาไปเยี่ยมเยียนเครือญาติเอาไปเยี่ยมเยียนใครที่เราไปเยี่ยมเขาได้เอาไปให้เขานี่ก็เป็นน้ำใจก็เป็นการให้อาหารในวันที่ยากลําบากพี่น้องที่รักความศรัทธาที่แท้จริงจะเป็นประกายจะจะรัดแสงออกมาในช่วงแห่งความยากลําบากเพรายในยักษ์กระนี้ครับเอาอิตาลุนฟิยลมินีมาสกบแเช่นเดียวกันครับในถ้าเกิดว่าในประเทศเราได้ข่าวบางประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ว่ามีเกิดสงครามภายในหรือว่าเกิดสงคราม ถ้าเกิดสงครามนครับมันมีความยากลําบากแน่นอนถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราช่วยตัวเราได้เราช่วยคนใกล้ตัวที่เราต้องช่วยได้แล้วถ้าเรามีความสามารถหยิบยื่นไปช่วยพี่น้องที่เรากาลังลําบากที่เขายังไม่มีอาหารจะทานที่เขาไม่รู้เขาจะกินอะไรนี่ก็คือการเลือกผลทางที่ยากลําบากอีกทางเลือกหนึ่งช่วยใครได้ให้ช่วยพี่น้องครับในยักุรานครับแล้วก็ในหะดิสเราจะพบว่ามากมายเหลือเกินที่พูดถึงความเปริฐของการให้อาหาร ในสุรัตุ ان, อินชาอายะที่8ควยูต่อยมุน ا อ ط ع ا م ع ل ะ ح า ي ه مسكين ويتيم واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ุ ز ا ء ولا شكر إننا خافو من ربنا يوم า ب و س ا ك م طيرا พนกราเข้าใจไหมครับบรรดาผู้ศรัทธาคือบรรดาผู้ที่เขาจะให้อาหารแก่ผู้เป็นที่รักของเขาใครคือผู้เป็นที่รักของผู้ศรัทธามิสกีนยาตีมอาซี มิสกินคนขัดสนคนยากจนเยตีมเด็กกำพร้าอาซียเชลยศึกคนที่ถูกจับมาเป็นเฉลยสามกลุ่มนี้มีอะไรเหมือนกันครับมิสกีนเยตีมอาซียทั้งสามกลุ่มมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาอยู่ในสถานะที่ยากลำบากแล้วพวกเราใช้คาว่าไงครับกลุ่มคนที่ยากลำบากคือกลุ่มที่ผู้ศรัทธารัก มันตรงกับที่คนส่วนใหญ่ทำคนส่วนใหญ่ก็คือจะรักกับคนที่มั่งมีจะรักกับคนที่มีอำนาจจะรักกับคนร่รวยมักจะอยากใกล้ชิดกับคนที่ร่ำรวย ธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ศรัทธาเราเรารักผู้ที่ยากจนและท่านอับดุลเลาะห์มุสลิมหลายครั้งเลยจนที่ในดุอาในฮะดิษเราจะพบว่าท่านอบีส่งเสริมในเรื่องที่ว่าให้รักคนจนให้ช่วยเหลือคนจนให้อยู่คุกคีกับเขาให้มากๆ ม, มันทําให้ใจเรานั้นสงบมันทําให้เรานั้นสมถะยิ่งขึ้นมันทาให้เรานั้นไม่ยึดติดกับดุนยาหัวยุติไอมูนัตอามาลาฮบีมิสกินาเวตีมือเช่นเดียกันกับในฮะดิษ มีซาบะมาถามท่านบีมุสลลัมอวยสลัมว่าอิสลามหรือใครเนี่ยรสลุลลความงดยามของอิสลามข้อดีขออิสลามมีอะไรบ้างเหรครับอะไรคือด้านดีของอิสลามท่านบีมุสลลัมอวยสบบอกไหมครับตุตัยมุตตะแอมวัตะกอสซาลามอาลามันอาฟตะวามลัมตริด้านที่งดงามของอิสลามที่ใครก็ตามทำมันเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่งดงามทั้งสำหรับอัลลอ์และสำหรับมนุษย์ทุกคนเลย เมื่อพูดถึงข้อดีของอิสลามไม่ใช่มาของอิสลามมีข้อเสียแต่ในฮะดิษนี้ที่พูดถึงข้อดีหมายถึงเป็นข้อดีที่แบบว่าคนทุกคนยอมรับไม่ใช่เฉพาะมุสลิมทั้งโลกยอมรับได้ก็ถามนาบีวายารสุลลลอฮ์อะไรคือข้อดีที่ว่าคนทั้งโลกยอมรับถึงพร้อมต้องการได้ในอิสลามท่านนบีก็บอกง่ายๆเลยว่าตุตตัยมุตต้าอามการที่คุณนั้นให้อาหารแก่ผู้คน มีใครบ้างไม่รักมีใครบ้างบอกว่านี่คือการงานที่ไม่ดีถ้ามันคือเจตนาที่บริสุทธิ์ถ้ามันทําในรูปแบบที่สะอาดใครก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจะมีคนที่เกลียดก็แค่คนชั่วเท่านั้นคนที่ว่าขี้อิจฉาริษยาคนที่ว่าเขาหวังแต่ความชั่วร้ายเท่านั้นที่จะรังเกียจกันให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต่ําต้อยกว่าตูตัยมุตตอัมวัตอกุลสลามคือการที่คุณให้อาหารแล้วก็คือการที่คุณนั้นให้สลามกับทั้งคนที่คุณรู้จักกับคนที่คุณไม่รู้จัก พี่น้องครับการให้อาหารเนี่ยเป็นความเมตตาแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการดาวะเป็นการเรียกร้องเป็นการทำให้คนนั้นรู้จักอิสลามด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เป็นความเมตตาพี่น้องถ้าเราเหนียดดีๆบางทีการงานที่เราทําเล็กๆ เ, เนี่ยผลบุญอาจจะมหาศาลมีกี่มากน้อยแล้วครับที่ว่าเข้ารับอิสลามพอได้รับความช่วยเหลือในยามที่เขายากลำบากมีคนอยู่คนหนึ่งพี่น้องเขาคุกคีอยู่กับ ครอบครัวมุสลิมในอดีตบางคนบอกว่าเขาอาจจะเคยเป็นมุสลิมารออาลัมแต่ว่าเขาได้หลุดไปสุดกู่เขาหลุดไปไกลแล้วเขายุ่งอยู่กับอบาไบมุกวัยรุ่นวัยหนุ่มของเขานี่คือใช้กับสิ่งที่ชั่วร้ายสารพัดแทบไปทุกรูปแบบจนเมื่อเขาแก่ชรามาอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ครับพี่น้องจนเมื่อเขาแก่ชรามาเขาเป็นกาเฟสครับพี่น้อง เขามีลูกหลานเขามีเครือญาติซึ่งไม่มีใครอยากจะดูแลเขาเลยลูกหลานก็ทิ้งเขาบ้านที่เขาอยู่ก็อยู่แบบสโปรกอยู่แบบซ้ําซอบอยู่แบบนอนจมสิ่งที่โสโปรกครับพี่น้องแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆลุ่มเหลาเขาโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่เขาทําในอดีตกับโรคหลายๆอย่างรุ่มเร้าเขาเขาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปยังไงแล้วก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทําไม มีนุสลิมท่านหนึงได้ข่าวแล้วก็จำได้ว่าก็เคยรู้จักกันบ้างเห็นว่าในยามที่ลำบากที่สุดก็เลยไปหยิบยื่นความช่วยเหลือเอาอาหารไปให้ไปพูดดีๆไปตอบประโลมพาไปโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือจนคนชรลาคนนี้คนแก่คนนี้ร้องไห้ออกมา แล้วก็บอกว่าผมขอเข้ารับอิสลามผมขอเชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวซุบฮานุลลอห์พี่น้องรู้ไหมว่าคําพูดที่เขาพูดเขาเข้ารับอิสลามแล้วในคืนคืนนั้นในเช้าวันต่อมาเขาก็เสียชีวิตอัลฮัม์บุลีลาฮิรอบบิลาละมินนี่คือความเมตตาของพระเจ้าซุบฮานุอัลตะลาผ่านกับคนคนนั้นที่เขาได้ไปให้ความชื่อเหลือ คนคนหนึ่งซึ่งคอของเขาถูกผูกตัวกับไฟนรกเรียบร้อยแล้วจะเสียชีวิตแล้วแต่เขาเข้าอิสลามเขาเข้ารับยอมรับพระเจ้าก่อนเสียชีวิตไม่ถึงวันเขารอดพ้นจากไฟนรกขอบขอบคุณล้อผู้ที่ทำให้เขานั้นรอดพ้นจากไฟนรกด้วยกับการอิตาอามุนฟียอมินดีมัสกาบาการให้อาหาร ในวันแห่งความยากลําบากเพราะฉะนั้นการให้ความการให้อาหารการให้ความช่วยเหลือในพี่น้องมันเป็นความรักมันเป็นการสารสัมพันธ์กับที่ท่านเรียกมอสโลโลซาโบแต่ฮาร์ดดูแต่ฮาร์ปูให้ของขวัญกันให้ความช่วยเหลือกันแล้วพวกท่านจะรักกันมันเป็นการเพิ่มความรักแล้วมันก็เป็นการเพิ่มอิมานแล้วมันก็เป็นการด่าวาเป็นความดีง่ายๆที่น่าจะทํำได้แทบจะทุกคน มีบางทีบางคนบอกนี่อาจารย์ชันมีาหารแค่ของเดียวพี่น้องจําได้ไหมที่ท่านรบียนโมสเราลองว่าอะไรสลัมสัลลัสัลลัมได้พูดถึงอะไรคือเหตุผลที่ทําให้กินข้าวเราไม่อิ่มจาได้ไหมครับอะไรคือเหตุผลที่ทําให้กินข้าวไม่อิ่มมุสีนในปัจจุบันเนี่ยครับะะเราจะพบว่าหลายท่านหลายคนนี่จะชอบดูพวกรายการพวกช่องที่ว่า แข่งขังกินหรือว่าพวกช่างกินจุใช่ไหมครั บ, บางคนดูแล้วแบบฉันอยากจะกินได้เยอะแบบเขาฉันอยากจะบางคนกินนี่แบบอาหารแบบอย่างหรูๆตั้งมาถาดฐฐใหญ่ๆนั่งกินเงยหน้าเงยนเงยน้าเงยหคนดูก็ดูไปน้ําลายไหลไปบางคนนี่คือดูช่วงค่าๆเด็กๆตั้งลงมาหาอะไรกินไม่เจออะไรก็ต้มบะหมี่ขิงเส้นแบบลูปหรือหาอะไรกินหลายคนชอบหลายคนบอกว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากได้กินอย่างนั้นพี่น้องครับสำหรับมุสลิมมมมองมุสลิมชัดเจนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดี การมีความสามารถที่จะกินข้าวได้เยอะๆมันไม่ใช่สิ่งที่ดีตรงกันข้ามเลยนะพี่น้องตรงกันข้ามเลยมันแสดงให้รู้ว่าอาหารที่คนคนนั้นกินไม่มีบารรกแกะครับพี่น้องไม่มีความจำเร็ยนย้าอย่าไปมีความสุขอย่าไปภูมิใจกับการที่ว่าฉันนั้นสามารถกินข้าวได้มากมายมหาศาลพี่น้องจำได้ไหมสุรานี่ยแหละสุราตุาลเบลด เขาบอกว่าไงครับเยากูหร uh, ืออ um ัลักตูมาหรืลูบะดาเขาจะบอกว่าฉันได้เผาผ่านทรัพย์สินมากมายมหาศาลฉันกินมาเยอะแล้วพราะเราบอกนี่คือคําพูดของผู้ไปเสดสัทธาไม่ใช่มุสลิมพี่น้องครับพี่น้องจะไม่พบเลยจะไม่เจอเลยว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงจะเป็นคนที่กินจุเป็นคนที่กินมุมามาเป็นคนที่กินเยอะเยอะไม่มีพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะผู้ศรัทธาอาหารที่เขากินจะมีบรารอกะเขาไม่ต้องกินมากเขาก็อิ่ม พรันพี่น้องตรวสอบเองได้เลยเมื่หรก็ตามที่กินเท่าไหร่เขไม่อิ่มกินก็ไม่อิ่มกินก็ไม่อิ่มแปลว่าอาหารที่เรากินไม่มีบาระกาครับแปลว่าอาหารที่เรากินไม่มีความจำเนิญครับเพราะของที่มีความจำเนินทานน้อยๆมันก็อิ่มแล้วเหมือนกับที่ว่ามีคนต่างศาสนา ค, ครับมาพักที่บ้านท่านอบีโมฮ์มัสอัลลอฮ์ของอาเลวัสสลัมตอนกลางคืนเนี่ยท่านอบีก็เลี้ยงนม ท่านก็ไม่ได้มีอาหารมีอะไรกินทุกวันมีนมเลี้ยงท่านก็เลี้ยงนมกินนมกับท่านอบีเแก้ว8แก้วกว่าจะอิ่มเช้ามาครับเขาเขา้ขารับอิสลามนบีให้เขากินนมอีกเขาคินแค่แก้วเดียวอิ่มเลยท่านอับดุลเลบีมัสลลัมฮวาเลยสลังก็บอกว่าเห็นไหมผู้ไปเสริศรัทธามากินอาหารกับฉันน่ยกินหลายแก้วถึงจะอิ่มแต่สําหรับผู้ศรัทธาแล้วแก้วเดียวก็ทําให้เขาอิ่มได้เพราะฉะนั้นย้ํานะครับ อย่าไปหลงไหลได้พุ้มกับการกินเยอะๆอย่ารู้สึกว่าการกินเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ให้รู้สึกว่าการกินเหลือเป็นสิ่งที่แย่อันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องเวลาต่กอาหารตัดมาแบบประมาณตนแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในจานของเราต้องกินให้หมดอย่าไปคัดอันนั้นฉันไม่เอาอันนี้ฉันไม่ชอบถ้ารซ์กีขอบวะพี่น้องไม่มีทางรู้หรอว่าบาร์อก้าอยู่ตรงไหนความจำเดิอนอยู่ตรงไหน ที่เรากินไปอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บบาร์ก้าคือส่วนที่จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปนีอย่างที่บอกนะ ก, นะการกินเยอะไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ศรัทธาการกินแล้วไม่อิ่มสักทีไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ศรัทธา autour, อย่างสาเหตุที่ทำให้เรากินไม่อิ่มมี2อย่างสาเหตุที่ทาให้เรากินไม่อิ่มมีสองอย่างอย่างแรกก็คือไม่ใช่ผู้ศรัทธา กินยังก็กินไม่อิ่มอย่างที่2ก็คือกินคนเดียวกินคนเดียวเหมือนกับที่ว่าครั้งหนึงบดาซ่าบามหมาท่านระบีมโมมัสลัมรอฮัยซันล้วก็ถามยาสุลรอทําไมพวกเรากินก็ไม่อิ่มสักทีใครมาถามซาฮาบะมุสลิมไม่มุสลิมครับผมศรัทธาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับอาหารมีโบอาการ์ไม่มีบลการ์แน่นอนแต่ซาฮาบะกลุ่มนี้มาหาท่านวิบอกยาสุลรอทําไมฉันกินอะไรฉันไม่อิ่มสักที ท่านอับดุลเลาะห์สัลลัลลอฮุอะลัยซ์สัมว่าละแ ล, ละคุณตัฟต์ติกรูนเป็นไปได้ไหมที่ว่าพวกคุณเวลากินเน่ยแยกกันกินใช่ไหมล่ะต่างคนต่างกินใช่ไหมซาบอว์บอกว่าใช่เราครับยา ร, ระซูลลัลท่านอับดุลเลาะห์สัลลัลลอฮุอะลัยซ์สัมบอกว่ า, างั้นมากินด้วยกันสิไม่จําเป็นต้องเป็นถาดเดียวอาจจะเป็นจานใครจานมันแต่มานั่งกินด้วยกันสิพี่น้องสังเกตไหมเวลาที่แบบว่าเรากินด้วยกันแล้วบางทีมีการแชร์กันอาจจะแชร์กับลกูกหลานอาจจะแชร์กับอะไรพี่น้องเคยไหม ผมว่าหลายท่านน่าจะเคยหลายท่านน่าจะเคยแล้วตักข้าวมาจานนึงที่เราคิดว่าเราเนี่ยจะอิ่มประมาณเนี่ยแล้วพอมีเด็กๆมาแล้วเขาก็ดันอยากกินเราป้อนให้เขาบางทีป้อนให้เขาเกือบครึ่งเหลือแค่ครึ่งนึงหลายครั้งครับที่เรากินแค่ครึ่งหนึ่งที่เหลือมันก็อิ่มแล้วเราก็รู้สึกว่าพอแล้วยิ่งเราไปดูผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่ารักเด็กม า, มากๆเลยจะพบว่ายิ่งเขาเหล่านั้นยิ่งชอบแชร์เท่าไหร่บางทีจะพบว่าเขายิ่งกินน้อย แล้วมันก็เป็นบาร์กาด้วยมันก็เป็นสุขภาพที่ดีให้กับเขาแล้วมันก็ทำให้เขาอิ่มด้วยเพราะนั้นเอาอิตอ า, มอามุนฟีเยลมินดีมัสกาบะหรือการให้อาหารในวันแห่งความยากลำบากในอายะุรานอายะเนี่ยครับพี่น้อง สอนพวกเรามากมายเหลือเกินมันสอนตั้งแต่การที่พวกเรานั้นต้องตรวจสอบตัวเองว่าเราบริโภคเยอะเกินความจําเป็นหรือเปล่าเรากินแบบไม่เลือกหรือเปล่าบางคนบอกช่วงเนี้ยช่วงกักตัวเนี่ยฉันโดนกักตัวเนี่ยมันไม่รู้จะทําอะไรกับกินอย่างเดียวคิดถึงแต่เรื่องกินเจออะไรก็กิกนหมดเจอหน่อก็กินเจอหนีก็กินกินกินกิกินกินแล้วก็รู้สึกมันไม่อิ่มสักทีบาร์กะเราต้องการบาระะ์ระาในอาหารก่อนกินกล่าวบิสมิลลาห์กินด้วยมือขวาเท่านั้นล้างมือให้สะอาดแล้วก็ชวนกินกันเป็นกลุ่ม ในกรณีเราอยู่ครอบครัวไม่อยู่ก็เป็นกลุ่มอยู่แล้ว่พี่น้องจะไปแยกอะไรล่ะบอกว่าที่ครอบครัวมันคู่ขีดกันอยู่แล้วก็คืออยู่ถึงถ้าเกิดว่าจะรักษาร ะ, ะยะก็รักษาระย ะ, ะแต่ก็คือให้ได้ทานด้วยกันน่ยพี่น้องคือเรามีู่ประสาททานได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ก็คือทํายังไงก็ได้ให้อาหารที่เรากินมีบารอเรกะให้มีความเจริญอาหารจะไม่มีความเจริญก็คือกินแบบกินทิ้งกินขว้าง กินแบบไม่กล่าวบิสมิลลาห์กินแบบใช้มือซ้ายกินกินแบบตะบีตะบันยัดฉันอยากจะกินเยอะๆเไม่มีบาคาไม่มีความเจริญกินไปมันก็เป็นพิษทีหลังนี่นแหละพี่น้องพิษกับใครครับพิษกับตัวของพวกเราเองเนี่แหละครับผมครับพี่วันนี้บอกว่าไงครับเป็นกฎไหลย้อนใช่ไ้ยชัดเจนครับผมพี่น้องผมรู้สึกแย่มากๆเลยผมรู้สึกเจ็บใจมากๆเลยเวลาที่มีคําพูดของคนที่บอกว่าเนี่ย มุสลิมเนี่ยชอบกินของหวานก็เลยเป็นกฏหลาย้อนเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าไงครับดูเลยช่วง ร, รมดอดรนจะมีคนเป็นกฏหลย้อนเยอะเพราะเขากินอินดุปะลัมอสัสซัคฟุลลอยากจะเถียงอยากจะพูดแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เขาเจอไงเพราะเขาบอกว่าเขาก็รักษาคนมาเยอะแล้วส่วนใหญ่ในี่รมอรเนี่ ย, รร ม, นนยมุสลิมเนี่ยนะช่วงรมดอดรนจะมาหาเขามาให้เขารักษาเรื่องกไหลาย้อน แล้วเขาก็สรุปเขาก็สรุปมโนไปว่าเพราะกินอินทผลัมความจริงไม่เกี่ยวเลยเขากินกันมาเป็นพันพันปีไม่เห็นมีใครเป็นจะมาเป็นคนยุคหลังพ่ออะไรครับลัษณดพี่น้องไปดูตอนลัษณะมีอะไรบ้างอินทผลัมอย่างมากก็เม็ดหนึ่งสองสามเม็ดแค่นั้นแหละที่เหลือของหวานเต็มไปหมดที่เหลืออาหารอะไรก็มีแล้วกินวันละกี่มื้อแหละพี่น้องช่วงระมดันกันน่ะช่วงถือลัษณะกันเนี่ยแก้บวดหนึ่ง หลังอมาตย์มะกริบหนึ่หลังอมาตย์อิชาอีกหนึ่งบึกบึกอีกหนึ่งสะโฮดอีกหนึ่งห้าหมือไม่เป็นกฎไลย้อนก็แปลกแล้วไม่ล่ะอาหาร ม, มีราคากินเยอะเกินไปมันไม่ใช่เป้าหมายของการถือศีลอดเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่ากินอินาผารัมแล้วทําให้เป็นกฎไหย้อนไม่เกี่ยวเลยตลอดชีวิตท่านเบียร์มอสลาร์หิชามหาหลักของท่านก็อินาผาลัมกับน้ําเนี่ยแหละครับพี่น้องแต่ปัญหาคือการกินเยอะเกินกินผิดเวลา ใช้ชีวิตในเรื่องของความเครียดอาหารที่กินไม่มีบรรารานซ์นั่นแหละกดรลายย้อนแน่นอนเพราะนั้นอยู่ที่เหนียดนะบางคนบอกเป็นโรคเลยต้องกินน้อยปรับเหนียดนิดนึงอัลฮัมดีแล้วพอรองค์เล่าให้เราเป็นโรคเพื่อที่เราจะได้กินน้อยเพื่อเราจะได้เป็นบาตรที่ดีของพระองค์ปรับเหนียดนิดนึง โรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นก็จะได้เป็นผลบุญให้กับพวกเราด้วยมุสลิมครับอยู่ที่เนียดอย่างที่บอกครับหลายๆเรื่องของเราอยู่ที่เหนียดเลยถ้าพี่น้องเหนียดอะไรก็ตามที่เราต้องฝืนทําน่ยถ้าพิกเหนียพิกความคิดนิดนึงนี่คือผลบุญมหาศาลเลยนะครับผลบุญมหาศาลมีท่านใดผมยักไดตอบสลามบาคุณกัมเรียนะครับสลามมากวาริคุสลิมตระรอบาบารักะตัวบาโรกะตู้ครับคุณอาริสาラนะครับก็สลามมาชช่นเดียวกันก็วัริคมุสลิมตระวอบาบารักาตูคุณฮัสนน สำสเนะครับก็สละามาบอกรับชมรับชมรับชมจากสตูนครับผมก็ไหวลิกุมสามาราหมรตุล้อวัวบรารักาตูกับพี่น้องท่านใดก็ตามที่สละมาถ้าผมยังไม่เห็นข้อความนะครับก็ไหวลิขุมสามาราหมรตุล้อวัวบรารักาตูครับผมพี่น้องที่รักมีสละพัช สุลตุลฮะษ์ข้าพเจ้าละศูนย์พระหัตาราวันข้าพเจ้าว่าหลัดีตบบาวอุดดารวลอิมัลมิ่กับพิมยูฮับบูนะมหัจระอิเลห์มวะลาญิดูนฟิสุริมฮตมิมาอตูะซิรูนะอัฮิวะลาาะบิม้าาัีมลมิ่งกยนะัอลดะ ชัยชนะผู้ที่ได้ความสําเร็จประสบความสำเร็จรรในชีวิตยอย่างแ ท, ท้จริงอีกกลุ่มหนึ่งพอเราพูดว่าไงครับพอเราพูดถึงบรรดาสาบะพูดถึงบรรดาคุณลักษณะของบรรดาสาบ ะ, ะ่พี่น้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมนะครับเรากําลังพูดในอายะพูดเรื่องของการให้อาหารในวันแห่งความยากลําบาก แล้วเราได้บอกว่ามันเป็นสัญญาณที่สแสดงถึงความรักซึ่งมันเป็นพื้นฐานขั้นต่ําสุดของมุสลิมที่ต้องมีให้แก่กันคือเราต้องรักกันพวกเราได้พูดถึงกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดคือบรรดาสฮาบะนี่คือคุณลักษณะของท่านเหล่านั้นและนี่คือเหตุที่ทําให้พวกท่านเหล่านั้นเป็นที่รักหอดล้อแล้วประสบใสประสบชัยชนะประสบความสําเร็จเพราะกล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ได้ตะเตรียมที่พักให้แก่พี่น้องของเขา ที่เดินทางมาหาพวกเขาพอล้อพูดถึงใครครับพูดถึงกลุ่มชาวอันซอร์ชาวมาดีนะที่ว่าเมื่อเขาเข้ารับอิสลามแล้วเขารู้ว่าพี่น้องของเขากำลังพบความยากลำบากที่นครมักกะกำลังถูกทำร้ายบางส่วนกำลังถูกสังหารถูกบีบสารพัดแทนที่เขาจะมองว่าเออเราไปหาเรื่องไกลมาอยู่ไกลเมืองไกลมันไม่จมสนใจเขาได้ หาวิธีว่าจะช่วยยังไงได้บ้างเขาไม่สามารถไปช่วยแดนไก่ตรงนั้นได้เขาก็ได้ตระเตรียมบ้านพักตระเตรียมที่พำนักตระเตรียมที่อยู่อาศัยตัดเตรียมอาหารตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องของเขาด้วยความรักผูกรล้อพูดว่าไงครับอยู่ให้ปู้นัมันฮาจะรออิเลหิมซึ่งชาวอันซอร์เนสหบาบะเหล่านั้นเนี่ยเขารักพี่น้องของเขาที่อพยพไปหาเขา พี่น้องหลายครั้งอ่ะพูดถึงตัวเราเองนะพูดถึงตัวเราเองนะหลายครั้งเวลามีคนเดือดร้อนมาหานี่เราหน้ามุ่อยูใช่ไหมครับเรารู้สึกแย่รู้สึกว่าฉันก็ลําบากจะนั้ไปช่วยใครได้นี่มันมาหนีฉันแย่ฉันรู้สึกลําบากหัวใจเราสกรปรกครับพี่น้องผมพูดถึงตัวผมเองด้วยหัวใจพวกเราเนี่ยบางครั้งหรือหลายครั้งนะมันสกรปรกอยู่เราพบว่าหัวใจของผู้ที่ศาสตร์แบบซาฮาบะเนี่ยเขารักผู้ที่เดือดร้อนที่มาหา คือเขาอาจจะช่วยไม่ได้แต่พื้นฐานคือเขารักแล้วถ้าหนี้ได้ไหมล่ะครับเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยช่วยได้ช่วยไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือเราทําได้ไหมครับที่ว่าอย่างน้อยที่สุดให้หัวใจของเราเนี่ยรักเขาอย่างน้อยตอนที่เขากําลังพูดถึงความเดือดร้อนอย่างน้อยในใจของเราขอด้วยจากเราให้ช่วยเหลือเขา ยาล้อเนี่ยเขาเดือดร้อนมาเขาขอความช่วยเหลือแต่ยาล้อฉันช่วยเหลือเขาไม่ได้ฉันก็เดือดร้อนเหมือนกันยาล้อช่วยเหลือเขาด้วยยาล้อปวดให้ความแย่ใดแก่พวกเราปวดให้พวกเราลดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลําบากไปด้วยอย่างน้อยเป็นไปได้ทําได้กันไ้ยล่ะครับพี่น้องทําได้ไหมด้วอย่างน้อยปลูกฝังความรักในหัวใจที่มีต่อคนที่เขากําลังลําบากที่เขากําลังขัดสนที่เขากําลังเดือดร้อนเราอาจจะไม่สามารถช่วยทุกคนได้แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลในการที่เราจะไม่ช่วยคนสักคน เราไม่จําเป็นต้องรอให้เราสามารถช่วยคนทุกคนได้เราต้องไม่รอว่าเมื่อไหร่เราจะช่วยคนทุกคนได้ขอแค่ว่าเราช่วยคนสักคนได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วอันนั้นก็เป็นความดีงามมหาศาลแล้วและอย่างไรสุดช่วยไม่ได้ก็มีความรักให้แก่กันครับพี่น้องเพราะว่ากล่าวว่าี้ต่อครับว่ลายจิดูนฟีสุดูรีมฮาเจตามิมาอูตู สุภาณวลอนี่คืออีกหนึ่งคุณลักษณะที่ทําให้เราไม่มีทางเทียบกับบรรดาสหบาได้ไม่มีทางที่เราจะไปถึงระดับของสหบาได้แต่เราอยู่ในระดับเดียวกับสหบาได้อยู่ในสวรรค์ช็อปปตัสกับบรรดาสหบาได้แต่ด้วยความเป็นคนดีขนาดนั้นเนี่ยพวกเราบอกว่าไงครับพวกเขาเหล่านั้นชาวอันซอรเขาจะไม่พบความรู้สึกแย่ๆในใจของเขาเลย ในสิ่งที่เขามอบให้กับพี่น้องของเขาคือช่วยแบบไม่รู้สึกว่าที่เหนียวรู้สึกแก่ในการต้องช่วยหรือรู้สึกไม่ดีที่ได้ช่วยรู้สึกสูญเสียไม่เลยพวกเรา ร, รับรองบรร ญ, ญาซอบาสชาวอันซอรเหล่านั้นว่าพวกเขาให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขาโดยที่ในใจเขาไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่รู้สึกแย่อะไรเลยไม่ใช่แค่นั้นนะว่าเราแกน่าบีหิมข้อซอซอ ถึงแม้ว่าพวกเขาเองก็กำลังลำบากก็ตามแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาก็ลำบากอยู่แต่เมื่อเขาให้ความช่วเหลือพี่น้องของเขาในส่วนที่เขาให้ความช่วเหลือเขาไม่รู้สึกตะขิตตะหวงใจเขาไม่รู้สึกสูญเสียพี่น้องจำได้ไหมครับในสมัยท่านนบีุลมฮัมมัดสุลต่าละอวยวะสัลลัม เวลาที่ว่ามีแขกคนนึงมาหาท่านอบีมูฮัมมัดสโลโลฮุยสลามแล้วก็บอกว่าใครสามารถจะรับฉันเป็นแขกได้บ้างใครสามารถจะต้อนรับให้ฉันเป็นแขกได้บ้างคือฉันเดินทางมาฉันไม่มีอาหารฉันไม่มีที่พักฉันอยากได้อาหารแจกอยากได้ที่พักคนค ves ves campaign, นนั <pe> <durability> ้นมาหาท่านอบีมูฮัมมัดสโลโลฮุยสลามในช่วงเวลาที่ยากลําบากคือตอนนั้นซาบะที่อยู่กับท่านอบีไม่มีสักคนที่มีความสามารถจะรับแขกได้คืออาหารจะกินเองก็ไม่มี ท่านอับมุลโมฮัมหมัดสุลตานบอกว่าไงครับใครช่วยเอาเขาไปรับเป็นแขกแล้วเขาจะได้ผลตอบแทนคือ ส, สวรรค์เอาเขาไปรับแขกโดยได้รับผลตอบแทนเป็น ส, สวรรค์ซอบาทุกท่านได้ยินหูผึ่งครับใครๆก็อยากได้แต่มันทําไม่ได้จริงๆคือไม่ใช่ว่าเอาสวรรค์มาล่อ คือตอนที่ท่นานนบีมุฮัซโอลอิส ล, ลออามเห็นมีแขกมาซอบก็อยากรับท่านนบีเองเนี่ยคนแรกน่ะที่อยากรับแต่ท่านนบีรับไม่ได้เพราะท่านนบีหลายวันที่ท่านไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินเลยหลายครั้งนี่คือครอบครัวของท่านนบีมุฮัซโอลอิสลามแล้วแขกมาช่วงที่ไม่มีจริงๆแล้วซาบก็ไม่มีใครมีเลยมีซอบท่านหนึ่งครับอาสาบุกยาละซูลอลลอฮ์ครับผมขอรับเขาไปเป็นแขกเองผมขอรับเขาไปเป็นแขกให้ออกไปค้างคืน ซึ่งชาวอาหรับในอดีตครับอาหารเย็นจะกินตอนกลางคืนอัลอาชะบาเดลอิชาอาหารเย็นจะกินหลังจากละหมาดอิชาไปแล้วซึ่งก็ไม่มีใครเป็นกฎเะยย้อนไม่มีเลยจะเป็นประเด็นที่อ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับผมเราคุยเฉพาะเรื่องที่เราถนัดแล้วกันซอบา์ทั้นเมื่อพาไปครับก็ไปหาภรรยาซึ่งแน่นอนก็ไม่เด็ดเรียวเหมอกันภรรยาก็ไม่รูเรื่องซอบา์ก็ไปถามว่าตอนนเรามีแขกของนบีมาเป็นแขกของรศูนเลย ที่บ้านเรามีอะไรทานบ้างไหมที่รักก็ถานภรยาภรยาก็บอกที่รักจ๋าที่บ้านเราไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้คืออาหารที่น้องเตรียมไว้เนี่ยจะให้พี่กินได้คนเดียวนั่นแหละคือน้องก็คงไปเลยกินนี่คือความรักที่มีให้แก่กันและกันฉันสามีภรยาคือภรยาก็กะอดอยู่แล้วสามีก็บอกว่าแขกต้องได้กินอาหารอย่างน้อยแขกต้องได้กินแเราอดไปมือหนึ่งคงไม่เป็นอไรมันยังไม่ทําอันตรายกับร่างกายเรา สวัส น, นั้นก็บอกว่าไครับงั้นเดี๋ยวตอนทานข้าวเราก็ปิดไฟแล้วกันกินแบบมืดๆเพราะว่าพี่น้องต้องเข้าใจนะพันศตวรรษกับปีก่อนไม่ใช่ยุคไฟฟ้านะพี่น้องคือไม่ใช่ว่าแสงสว่างเป็นเรื่องเคยตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวยุคก่อนนี่คืออย่างมากก็ไฟกับเป็นเทียนเป็นตะเกียงเป็นอะไรก็ตามแต่ซึ่งผู้คนก็จะคุ้นเคยว่าเวลามืดมันต้องมืดปัจจุบันเราไม่ค่อคุ้นใช่ไหมละ่ะเวลามืดมันสว่างไง อย่างบางที่นี่คือสว่างตลอดเวลาอย่างเมืองนอกนก็อย่างวอสเซนจิิสเมืองที่นางฟ้าหลงทางเอนเรียกเอย่างนั้นนะสว่าง24่ชั่วโมงยุคประดีครับแสงสว่างพอมืดปุ๊บมันมืดจริงๆเซบาธฉะนั้นก็เลยบอกภรรยาว่าไงก็ดับไฟนั่นแหละก็กินแบบมืดๆนั่นแหละก็แขกมาก็ไม่รู้สึกอะไรก็อ๋อก็บ้านนี้คงไม่มีไฟอะไรถึงเวลาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟก็เอาอาหารที่มีน้อยนิดเนี่ยให้แขก ส่วนสามีที่นั่งอยู่กับแขกก็ทำท่าเหมือนกับว่ากินอะไรไปด้วยโดยที่เขานั้นก็ไม่ได้ทานอะไรคืนนั้นก็นอนอย่างหิวไปแต่อย่างน้อยเขาได้ให้แขกของระซูลอิ่มพี่น้องครับท่านนาบีมอมัซลาลองซำรับรองว่าเขาได้เข้าสวรรค์นี่คือตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นจากตัวอย่างมากมายมหาศาลจาก ท่านเบียมุสลิลลัล์ horizontally มาผู้เทให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่เขามีความรักแล้วเมื่อให้ความช่วยเหลือแล้วเขาก็ไม่ติดใจอะไรแล้วแล้วต่อให้ตัวเขามีความยากลำบากอยู่ถ้าเขาพอจะช่วยได้เขาก็ให้ความช่วยเหลืออัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ปิดท้ายอายะกครานี้อย่างงดงามมากว่ามายุกับชู้ไนัฟซีฮิฟะอุไลกะฮุมุลมุฟลิฮุนแล้วใครก็ตามที่ระมัดระวังตน ปกป้องตนให้รอดพ้นจากความขี้เหนียวของตัวเขาเองใครที่รอดจากความขี้เหนียวของตัวเองว่าอูลรอิก้าฮอรมนมุฟลีฮูนพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในมุมมองอิสลามตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับมุมมองของผู้ปฏิเสธศรัทธาความประสบการณ์ประสบความสำเร็จของผู้ปฏิเสธศรัทธาคือต้องมีทรัพย์สินเยอะๆถูกไหมครับต้องมีอํานาจต้องมีคนนับหน้าถือตาต้องเป็นที่รู้จักนั่นคือดุลยาแต่ผู้ล้อบอกว่าเปล่าเลยคุณจะมีมากหรือคุณจะมีน้อยอิสลามไม่ได้ตําหนิบอกคนมีมากไม่ดี หรือคนมีน้อยเป็นแบบไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะว่ากล่าวว่าในกรรณานครว่าคนที่ประสบชัยชนะประสบความสําเร็จในชุดอย่างแท้จริงคือคนที่รอดพ้นจากความขี้เหนียวของตัวเองคนเราทุกคนมีความขี้เหนียวผมก็มีความขี้เหนียวพี่น้องทุกท่านแต่และท่านในลึกในใจมันก็ต้องมีความขี้เหนียวกันขี้เหนียวคืออะไรครับกลัวให้แล้วมันจะลดถูกไหมครับเพราะการให้คือมันลดไงพอลดแล้วเป็นไงลดแล้วมันจแจ๊ปเป้า ว่าฉันมีใค่เนี่ยถ้าให้เขาฉันจะเหลืออะไรโอทีเรามักจะเห็นชัดเจนกับลูกเด็กเล็กแดงใช่ไหมครับเด็กๆเกจเนชัดเจนเขาจะห่วงของเล่นเขาจะห่วงของกินบางทีเราจะไปบอกเขาว่าแบง่งกันสิเนี่ยแบ่งกันกินสิแบ่งกันเล่นสิช่วยกันสิชี้บอกเขามันง่ายนีแต่พอเจอกับตัวเองปุ๊บไม่แล้วกันเอาคนหยุดร้อมาเาไปข้างหน้าและกันพยายามปิดบ้านอย่าไปสบสายตากลมตาลงตาม พอให้ความช่วยเหลือปุ๊บก็รู้สึกแย่มันนั่งเครียดที่หลังฉันไม่น่าเลยไม่น่าไปเจอเลยไม่น่าออกนอกบ้านเลยเนะี่ยฉันเสียตัามว่ามาอยู่กับชูฮัพซีฝอุเลยแค่หงมุฟี่ฮูนใครก็ตามที่เขารอดพ้นจากความตัวหนีของตัวของเขาเองได้คนนั้นคือคนที่ประสบความสําเร็จจะรวยถ้ารอดพ้นจากความตัวหนีถี่เหนียวของตน คุณคือคนสําเร็จจะจนถ้าคุณรอดพ้นจากความตนหนีที่เหนียวของคุณได้คุณก็คือคนที่ประสบความสําเร็จมุสลิมนั้นไม่ใช่ผู้ที่ฟุ่มเฟือยแบบให้ก็ให้แบบไม่ได้เก็บเลยแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่แบบเก็บแล้วก็มีคิดที่จะให้เลยเราอยู่ตรงกลางอันนี้คือคําสั่งที่ฮุมาลาสซุบฮะในฮุวาตาลสันะ่งว่าในกุรานอย่าได้แบมือแบบแบจนไม่กําเลยแล้วก็อย่าอยากกํา ม, มือแบบกําแน่นจนไม่คิดจะปล่อยเลยก็แปลว่าก็ต้องอยู่ระหว่างกลาง ไม่ใช่แบหมดแบบใครมาขออะไรให้ทุกอย่างไม่ปฏิเสธอะไรเลยเดือดร้อนแครก็ให้อย่างเดียวมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ากรรมแบบตนันีสิเนีงยงเดียวมีข้าว เ, เยอะปุ๊บคนไม่รู้จักแบ่งยอมทิ้งดีกว่ายอมแบ่งบางคนเป็นแบบนั้นเลยคือเก็บไว้วเองก็กินไั้หมดเสียทีหลังอีกต่างหากหรือบางทีตัวเองอัดเขาไปจนเป็นอันตรายกับตัวเอง ครับรวไมไปถึกาช่วยใับซื้อเลตของมุษฟิล์มกับที่อายะ ก, กรานของเราครับผมเรายังคงคุยในอายะ ก, กรันที่ว่าอาิตาอุนฟิยอมินดีมัสกอบาหรการให้อาหารในวันแห่งความยากลําบากในเรื่องของการให้อาหารนะครับถ้าจะพูดคุยกันจริงๆเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วพี่น้องสังเกตไหมครับว่าถ้าพี่น้องดูข่าวนะหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คนดี เข้าคุกหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนดีลักขโมยหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนดีกลายเป็นคนชั่วคือความยากลำบากที่ไม่มีใครช่วยเหลือเขาคนมาคนอยู่ปกตินะี่ยแต่จำเป็นลูกไม่มีข้าวกินลูกไม่มีนมกินแบบที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมครับแม่ในชีวิตไม่เคยขโมยเลยแต่ตัวเองก็ไม่มีนมให้ลูกเพราะตัวเองก็ไม่บอใครจะมีกินนมไม่มีก็ได้ขาวว่าไปขโมยนมจากห้าง ซึ่งก็มีหลายเคสบางเคสอาลจะมดยนิแล้วบางเคสคือตำรวจที่จับได้เนี่ยรู้ว่าขโมยมาใช่ไหมรู้ว่าลูกลําบากใช่ไหมซื้อนมมาเพิ่มให้ซื้อของมาเพิ่มให้เอาอะไรมาเพิ่มให้แล้วก็บอกว่าความเป็นมิตรแทบหนั้นสําคัญกว่าในเรื่องของการเคร่งคัดในกฎหมายจนเกินเลยไปตัวอย่างที่ดีมีน้อยแต่ที่เราเจอก็คือจับปุ๊บเป็นคนยากจนปุ๊บเอาเขาขังเขา้าคุกก่อเลยถ้าเป็นคนรวยอย่างไงเดี๋ยวมันก็รอด เห็นด้วยไหมครับหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนดีตกต่ำก็คือเมื่อตอนที่เขาอยู่ในสภาพที่ยากลำบากที่สุดไม่มีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาเลยเพรา ะ, ะนั้นพี่น้องบางทีการช่วยเหลือเล็กๆ็น้อยๆที่เราอาจจะไม่ทันได้คิดอะไรบางทีการให้อาหารกับคนที่เราไม่ได้รู้จักมากคุ้นแต่เรารู้ว่าเขาลำบากพี่น้องไม่มีทางรู้หรอกว่าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาตลอดการเลยก็ได้ เขาอาจจะกำลังจะเป็นคนชืว่วเขาอาจจะกำลังคที่จะไปทําสิ่งที่ไม่ดีเขาอาจจะกำลังเกียดสังคม <S <S เขาอาจจะเป็นคนเลวสุดๆแต่เมื่อใครก็ตามที่ได้รับการช่วยเหลือตอนที่ตัวเองลําบากสุดๆหลายครั้งครับโดยธรรมชาติเขาจะกลับกลายเป็นผู้ที่หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นตอนที่ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นเดียวกั น, เ, กนเพราะเขารู้ไงว่าความทรมานเป็นยังไง เพราะเขารู้ไงว่าความหมายเวลาที่เดือดร้อนแล้วคนให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนเพราะนั้นพี่น้องครับอย่าได้ดูถูกการให้ความช่วยเหลือกันแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการให้อาหารข้าวกล่องสักกล่องหนึง่งของใครกับใครสักคนการให้อาหารใครสักคนคนที่เรารักคนที่เราไม่รักคนที่เรารู้จักคนที่เราไม่รู้จัก โเฉพาะสถานการช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็ย้ํานะครับผมถ้าสามารถให้ได้ให้ไปนะครับผมครับวันนี้ก็คิดว่าเราก็พูดคุยกันมาค่อนข้างจะยาวนานกินเวลาไปเล็กน้อยนะครับผมอินชาอัลลอฮ์ครับในวันพรุ่งนี้เราน่าจะกลับมาคุยต่อในส่วนของอายะนี้แล้วก็ ในส่วนต่อไปของสระนี้นะครับผมในส่วนนี้ก็ตามที่ผมร่วงเกินพี่น้องถ้าเกิดบางทีถ้าพูดอะไรไปถ้าเกิดมันทําให้พี่น้องรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอะไรก็ขอนับด้วยแล้วก็พี่น้องที่สลับมานะครับเออคุณอิสเมียสมานะครับคุณสละามาบอกเรุงชัดเชจีนก็ไว้กุมสลับมาตลอดวาระการทู่เออคุณยุสร um uh. อนะครับเหมือนกับใช้ชื่อ น, นัดกันมาเลยนะครับผมอิสเมียุสรอชื่อฉันยุสลอนะครับก็สลับมาบอกว่าฟังอยู่ก็ไว้กุมสลับมาตลอบวาระการทเช่นเดียวกับคุณอ อาหัวหรือเปล่าครับออกชื่อผิดออกชื่อผิดขอมาฟ์นะครับผมเดนิตาสลามมาก็วาเลนซิลามอรค์ตุ ล, ลอว์วะบารารคาตู่ครับพี่น้องที่รักกี้ครับชีดมันลำบาก ชีวิตมันลำบากแล้วก็ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายดายแน่นอนมันเป็นชีวิตที่ว่ามีความยากลําบากที่พระผู้รอดสุภานุวตานั้นเตรียมไว้ให้บางทีเกินจินตนาการแต่เรานั้นอยู่ได้ด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระองค์แต่ความง่ายดายนั้นมันมาในทุกๆความยากลําบากเพราะฉะนั้นครับเลือกทางเดินที่ยากลําบากเพื่อพระผู้รอดสุภานุวตาแล้วเราจะไม่ผิดหวังอีกต่อไปครับผมขอได้จาพกพระผู้รอดสุภานุวตาด้วยการที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาด้วยการที่เราานนนั้ยอออมจํงต่พะค์ ด้วยการที่เรานั้นยอมจำ น, น้นต่อทุกคําสอนเราพยายามทําตัวเป็นบ่าวที่ดีที่สุดเราพยายามทําตัวเป็นบ่าวที่อรักษ์ขอด้วยจากผู้ลัทธิสุภานุตราผู้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเราผู้ซึ่งไม่มีบุตรผู้ซึ่งไม่มีลูกผู้ซึ่งไม่มีบีดาผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพท่ค์ แล้วขอต่อพูะลอสสุบฮานุอัลตล า, าผู้ที่ประทานอัลกุรอานให้กับท่านนบมีมูฮัมมัดสุลตองของอัลลอฮ์อัสสลามแล้วก็ประทานคำพิธีต่างๆให้กับนบีของพระองค์ผู้ที่ประธานทางนมให้กับพวกเราทุกคนขอโดยจากพกูะลอสสุบฮานุอวลตล า, าให้เรานั้นเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันแล้วขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้เรานั้นสามารถทํามันได้ขอพระลอรักเราขอพระลอเมตตาเราขอพระลอให้ความช่วยเหลือเราโดยเฉพาะในยามที่เราเดือดร้อนในเพราะในยามที่เรามองไม่เห็น ความช่วยเหลือว่าจะมาจากทางในได้อย่าล้อปวดให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงในการเป็นบ่าวที่ดีของพระงค์ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่รู้จักขอบคุณขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่มีความอดทนขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่มีความมุ่งมั่นในศาสนาของพระองค์ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่รู้จักความเสียสละขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่มีความรักที่มีให้กับบ่าวของพงค์ขอให้เราเป็นบ่าวนั้นที่ได้มีการเสียสละให้ความชื่วยเหลือแก่ผู้คนแล้วก็ขอให้พระงศ์รัศมีธรรมตราและให้ความชื่อเหลือเราทั้งในดุนยาขอให้เราได ในช่วงของหลุมฝังศพก็ขอให้เราลดผลจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพในวันเกียมาขอให้เราถูกสับสนอย่างง่ายได้แล้วก็ขอให้เราได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกลงโทษในไฟนรกก่อน ด้วยเถิดขอให้ได้เข้าสวรรค์ในสวนชั้นสูงสุดคือชั้นฟุตเดลสได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนดีๆทั้งหลายเยอะอยู่ร่วมกับบรรดาศาสนาทูตได้อยู่ร่วมกับบรรดาซาบะด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดเพราะแน่นอนพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เมตตาและเป็นผู้ที่รักยิ่งและไม่มีผู้ใดนั้นให้ภัยได้นอกจากผู้ลอสุบาร์นหัวตลาเท่านั้นแล้วก็ขอพผู้ใดนั้นให้พรให้การสรรเสริญให้สิ่งที่ดีงามให้ความเจริญเกิดขึ้นแก่ทัลบีโนสโลลลออิสลัมและบรรดาวงวานและ อัลลอฮฺม <t> ูสลทุกคนที่ปฏิบัติตามพวกท่านเหล่านั้นด้วยดีด้วยเิดอามครับอกูกาลีฮวักฟุลลอฮ لكم و ل ا ل م س ل و ا ل ق َ ا ف ر ح ي م س ب ح ن د ك د ُ ل ا ل َ ا ق ل ل َ س ل ا م ٌ و َ ا ل ح َ ل ل ه و ب َ ر ك ْ